ยาเข้ไปในปลาไปไออย่างมู ก, กัดพอเห็นโตเลยนะกัดด้หน่อยนะกัดนิว่วนิ่วเท่าหน่อยนึงเจ้าของเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะมันบาเจ็บพอมา้าบ้านทักสองอาทิตย์มันบวมขึ้นบไปนะอา่าเพราะบวมขึ้นไปหาหมอบหมอโรงพยาบาลนายุง่งเขาก็ได้นอนให้นอนโรงพยาบาล เรจับนอนเขาตรวจยาแก่อักเสบยังให้ทั้งฉีดทั้งฉันมาพอกลับมาวาดเมือวาดหลวงพอ่อก็ไปเห็น น, น, นี่มันยังแดงอยู่มันยังสีเ่ท่านลบมันยังแดงอยู่แสดงว่ามันม่เชื่อคู่มือนะมันอันตรายนะข้าวบูจาสาเหตุมันอาจจะไม่เชื่อเขาก็แสีเลือดก็ได้ พอก็เลยบอกฝากไปทั้งทรงไปทังโรงพยาบาลศูนย์อุดรมาวานก็เลยโทษไปหาพวกหมอจิ๋วจับ ก, กับเพิ่นเพิ่นก็เลยเอามาเลยเอามาเลยให้พระทรงกับโชเฟอร์ก็ได้ทรงไปก็ไปหอดเขาก็เลยไปตรวจเบืองเขาก็ตรวจรวมันกระแสมันเข้าไปได้ต้มนำเหลือง คงจะเคี้ยวกั็ยก็ต้มของเดิมอยู่ขาเหน็บนะ่ะขึ้นไปจุดนั้นนะเขาก็เลยจับนอนลงพยาบาลว่าหมูว่านก็เลยบวชในมาถ้าว่าเป็นหนามหรือว่าเป็นฝีเป็นหนามธรรมดาเขาก็บวชในพี่ตกกลงวลนอนกะเพราะว่ามันอักเสบมันก็ต้องมีแต่ในหูกัดป๋ตะขาบกัดป๋องเอีงกัดกระบอกหูจับ อาจจะเป็นงูผิดกัดก็ได้งูวางตัวมันผิดมันขื่นที่หลังก็ไม่ได้บางตัวเนี่ยคัดกัดแล้วมันขึ้นทันทีเลยอะไ น, นั่นกงแบบหนึง่งอันนี้มันกัดแล้วมันมันพอทัานขื่นเดียวนั้นมันก็มันขื่นที่หลังเพราะนั่นพ่อจะไปไหว้ใจก็บไหลบางที่มันเป็นผิดเป็นไพ่ต่อไปไพ่ภาคหนา หลวงพ่อก็าได้ทรงเขาร ง, งพยาบาลเมื่อวานไปเขาหมอเพร่ะนกเขาเขาจัดการอย่างที่บ้านอย่างที่หลวงพอ่อคิดว่าคือกันล้วนี่แหละผู้ใดก็ตามพระอยู่ในวัดของเฮาขันว่ามียัางากัดขั้นสงสัยอลไก็ บ, บอกมามหาโมเอาอยาใจหลงยาหลวงพ่อนี่ดีเยให้จดจดใบหน้าผู้ใด กันอยู่ในบ้านขี้เคบแม่งอดเออแล้วพอไอ้อย่างงูกัดโดยหาสาเหตุอะไรแต่บอกถึงก็งูเหา้างูจงอางเนงูเขียวหางใหม่เนี่ยชงัดมากแลว้วนะไปงูเขียวหางใหม่เด็เกหน่อยมาดตะกรอนเด็กหน่อยมถ า, างปาาลาไหหลงพอเนี่ยักเพี่ยนจักสองสามรอยสี่ห้ารอย อ, อางนั่นะถางหยาออกจากต้นไม้ซัก ปูกไม่ซักไม่ดูไม่ค้าแล้วขืนกึ่งยิ่งไหนเครื่องตัดหนากระบอมี่เลยสมัยนั้ น, นอ่อนเด็กน้อยแล้วมาา้าถังเด็กน้อ ย, ม, ม, ยมันกับความระเวียงระวังมันกระบอมี่มันก็ฟันไปเลยของมันนะ่ะไปมาไปเหยียบคู่เขียวหางใหม่เล็กคู่เขียวหางใหม่กัดแล้วเออทั้งคู่ทั้งคู่คบ่ากัเอามาแล้วใส่หล่ออยู่ม้าแล้ว มากลางทรากันนี่แหละยาหลวงพ่อจนะําไว้น่ะให้หลวงพ่อแปลว่าเล็กน้อยมาดรงเลื่อนห้าด้นดายนตรงเตรียมมาดดรอจยาเนี่ยหมดไปเนี่ยพักหนอกเนี่ยพักหนอกขนาดกัมย่อ ม, มพักหนอกแล้วก็เฉลต์พังพ่อนเฉลตดพังพอ น, พพอนตัวผูดที่มันเป็นหนาหมไบท์แหลมๆลางกลางมันสีแดงๆเนี่ยเฉลต์ตรงพอน แล้วก็ผิดไท่ผิดไทยเขานะ่ะผิดไถ่ช้แกงเขานะ่ะเอาเป็นเม็ดแทงดีหรือเอาเป็นผงก็ไดนะ้มาต่าใช่กันบ้านเลยต่าต่ำต่ ต, ต, ต, ตโขกใช่กันแนละ้พโขกใช่กันเรียบร้อยเลยแต่เอาน้ามักเน่าม็เลนะบีบลงใส่มันหลๆไ ห, หลดบีบใส่มันรลายๆ แ, นะแล้วโปะมเลยเราเอาแเปลือกหมักเน่า เปลือกบางหน้าวที่มันเข้าฝานเขาบีบหน้าบกแล้วนะเช็ดเช็ดมงเป็นแผลแผลที่งูกัดให้มันสะอาดเช็ดเช็เ็ช็อาเปลือกบางหน้าวเช็ดเช็ช็ดพอเช็ดจนุดพูนจะเลือดเจี๊ยบพูนอ่ะบานนี้ก็เอาใบบัวบกกับเสลดพังพรอน่ะที่ว่าใส่ผิดไข้น้ำพรอม โปเข้าไปแล้วะเนี่ยโปโปเข้าไปเลยั เ, เ, ลยเอาผากขาวมัดไว้เออเอาผาข่ามัดไว้ถ้ามันแหง้แหงก็แสดงแสดงว่าผิดมันแห้งนะถ้ามันแห้งเอาหน้ามักเน่าหน่อยหละหยอดทาไปใจอีกเบกันไดกัดชั่วโมงหนึ่งให้เปลี่ยนเปลี่ยนต้นไม้ก็ปีสามเื อ, อนอะไรแหละ บ่มีแต่ทั้งสีใข่สีหนึ่งงูเขียวหางใหม่ทุกคนขมันกัดแข น, นโอ้เออนมันกัดแขนไปเนี่ยก็ท้อแข้งมัละแขนกขมันคัดตีนแข้งกระทอขาของเราหนยมันบวมแต่ว่าใช้ยาตอนนี้กับบ้านไหนแล้วเด็กน่อยทุกคนที่ที่ทมัอยู่ในวัดเท่าเนี่ยแหละพ่อต่อมาบาดเด็กมาแมาถางปลาเนี่ยทั้ง ทางผีทางปาม่วงเด็กน้อยมันซีหาลอยไปเี่หมูฟัดหลายบบบหมูปลากระหลายเด็กน้อยอ้อมทางอ้อมหมูบ่มี่ทางไปเป็นแลนพาวงเด็กน้อยลงไปหลวงพ่อเห็นโอ้อันตรายจริงต่อไปอีกทางอีกเห็นงูจงอางยกอเอเลือเธอเลอเลเผ่านมูเด็กน้อยเด็กน้อยตัวแข็งเลยแลนนี้บูปินเลย หลงพ่อก็เลยเห็นอีโอมอบเป็นตเตียงไว้อันนี้อันตรายมากก็เลยสั่งหมดนะก็เลยว่มีการถางป่ามาหลายปีแล้วต่อมาก็ได้ใช้เครื่องใช้เครื่องตัดหญ้าบดนะเพราะต่อมาี่เอาพวกผู้เถ่ากผู้ใหญ่มาตัดเด็กหน่อยก็เลยหยุดให้หยุดบังอันตรายแต่ก่อนก็นยังเป็นป่าหญ้ายอยู่มันก็ไม่แข็งม่ถาง นี่ตะ ง, งูเขียวหางใหม่ฮะโดยมากกะกัดเด็กน้อยเนี่ยแหละเคื่อยาที่ที่หลวงพ่อใส่ในวัดของเฮ้าตาวัดตะเรกขมีเลยนี่ชาวบ้านปั่นหวยเวียงงามเขามาหาปูหาป่าอะไรพวกนพ่อเราไปอยู่ในนางูในานางูในานาหมเพิ่งนานาสงสัยเป็นงูเฮ้านามอ่ะมันผิดลายด้วยกัน พราะมันกัดคือมาเนี่ยยางผ่านหนาวัดไปเลี่ยตัวเหลืองเขาเหลืองเขาโอ้บ่อะไรกับประอดบ้านเลยเขามาหาคู่บาสเขามาหาผ้าหลวงพ่อกับฉันน้าน้อยู่ตอนใบเนะนี่ยเขามาสองผัวเมียเป็นแมยนะะ่ยังไงวะโอ้ยงูจะไม่ยังกัดคนหน่อยยังได้น้ำเลยฮะเบิงโน่เ่ยโอ้เจฟโอ้เจฟก็ฉันเน่ยตัวเหลืองเขาเลยวะว่าหลวงพ่อกับ บอกไปพระเดี๋ยวนันเลยคนไปคนละไมคนละมือคไปผูหาพักน้าเขามีผูหาพักหนอกเขาไม่ผููหาพริกไทยเขไม่ผูหาจะเข้ทองพ่อนมีมาผู้หาโคข้าจากบดึงตึงนาเขาเพิกงโคโคโคโคเอาน้าพักนาวีด้ไปให้แล้แมนแหนแน่อกเป่าแมนแน่ครับแหน่นหน้าอกเอาเอาน้มันเอาน้พักหนอกมาบีบน้าพักหน้าเอาซอนแตะ น้ำพักนอ ก, กับเฉลตพังพอน่ะเทออกมาใส่แก้วมันก็เขียวปึ๊ดมาผสมกับน้ำเข้าไปเกือบครึ่งขอนแก้วนะเอากินวนะพอกินเข้าไปสักพักหนึ่งทอนนั้นนะ่ะหายใจโล่งนะหายใจโล่งนะครับโอ้ได้ผลจหลีตัวเนี้วะ่ะอันนั้นก็โปง อ, อิดสองสามเธอเท่าน่นนะป่ะก็เลยเอาพังพอนเอาเฉลตเอายายไปไปเห็ดอยู่บ้านนะวันนี้นะวะ่ะ ว่าเป็นยางดอกปาเดีเขาก็เลยกลับไปนั่นแหละยาของเขานี่ใส่แต่ผลม า, มากๆยาตัวนี้เพราะนั้นผู้ใดก็ตามนเานี่ในวัดของเข่าแถวมีงูเขียวหางใหม่ยาไปนอนจะไปฉลาใจ่ายบัวไรนะเอ่ยพระวัดหินมักเป็นไปจับงูงูเขียวจับปะทังย่านจับปะทังย่านพร้อมเอ่ทังย่านพร้อมพระทังหารพร้อมหรือเปล่าจับจับหางหงหางหางข้อมัน มันก็แหว่งข้อมันก็มาด ก, ก, กัดหนิ้วมือ ấy. พอกัดถือมานมันก็ปล่อยผิดยางเต็มที่ของมันแล้วมันโกรธเองเพรใ น, นสุดนิ้วมือขาดเลยเน่าเลยขาดเล ย, ข า, เลยขาดเป็นนิวเลยเออมันบวมขึ้นบวมขึ้นแล้ขาดเลยนี่แหละอันไหนผู้ใดก็ตามอยู่ไปหาจับอยไปหาเหรียญกับงูขันบกใจกลายใจเกง่งอีหลีต่มาจับ้วือว่าหมั่นใจเนี่ยังคอยจับ ขันย่านๆก็กลัวนะยายายจับจับหัเป็ียนยาจับพอจับแต่ข้อมันหางมันเอหางมันเกี่ยวแขนเท่านั้นนะนี่แต่เออเออเออคือม้ารบาดแน่นันแหละมันยังเกี่ยวแขนมันกกัดปัตุวันเพราะถ้าจับหัวมันก็ต้องจับหางมันพร้อมเลยขันที่จับงูต้องจับให้เป็นมันหรือม่ใอันตลายนะนี่คือสอนวิชารอบข้อให้ อยู่ในปา่าในหลงแต่อีกอย่างนึ่งทอน้ำขึ้นกันอยู่ในห้องน้ำห้องทานเวลาเขาจิตของห้องน้ามันไม่ทอน้าเขาต้องเปิดน้ำถิมซะก่อนเลยแหละเปิดจะแห้งๆทางแห้งๆเลยเพราะมันหนาแรงมากนี่ยมันวัดขอ ง, ของเข้ามันไม่มาแรงนะแต่มาแรงขี่เข็บหน่อยมันก็หิวน้ำขึ้นกันเลยมันก็เข้าไปในทอน้ำเขาเป็นมักอย่างมันหิวน้า อพระหลวงพ่อี่เซอร์แนวนั่ไปยังมาสอนดิชาสลัดให้พวกเข้าทั้งหลายฟังหลวงพ่อกับเปิดมาบอ ก, กมื้อตรงรอดแล้วแนวไปเนี mm ่ hmm. พอนามเดีย๋ยวนี้กุฏิเด็กุฏิพอมันกุฏิหลวงพอนะ่อหน่ะกุฏิอีกหลังหนึ่งสางใหม่โดยมากกุฏิสางใหม่เนะี่ยมันชอบนักมันไปแม่แรงปองนะั่นคือเขาไปน็นหู้หน่ะนะ ห, นหู้หู้ท่อน้ำ พอเปิดปั๊บจะไเอาเมื่อตรงวัวปูปันทานไฟเราเพีาอะไรหมดล้ไปแบมือแปงแสงเะาปะบึงโอตโตๆแม่งอดท่านี่วเออตัวปักไงแม่งอดแม่ม้าในต่างหากตายตาตายนี่โอ้หมนเจ็บถึงแต่เศ้าจนขวบเก่าวันนี้ยังคอยเศร้าเลยไปยาแล้วยาอีกค่นจักไม่ยายังตัวไสดเข้าไปเมืคือเก่านะไป เออมันเตะเขากีตาแล้วคนนะมันเจ็บไหลโถแมงหวัดบุญเปนธรรมดาตัวนีลวงพ่อก็าเลยจำไว้ชักไขรคักผ่านเวลาจะเปิดน้าใส่หม่าต้องเปิดทางออกแห้งๆก่อนมันออกตะวันออ น, นอไปนี่อย่างยุ่งยากไหนยังค่อยยังคอยเอามาใส่เปิดจ่าตะวันยังค่อยยังคอยออกมาใส่สอออออใสสพอเนผัวเข้านะอันนี้คือสอนวิ ช, ชาห ล, ลอกคอไปเขาอยู่ในปลาในดง มจกี่เข็บน่อยมันไม่งอดกมันมดเขาไปในไปในทอมันหิวน้ำเนาะเขไปกินน้ำอะอันนี้ก็อันหนึ่งขึ้นกันเวลาอยู่ในกุฏิขึ้นกันน่หลวงพ่อยังบอใส่น้ามันไปเนรอลื่นไหวเวลาแม่งอดเกินไปมันก็ไปเจอน้ามันมันก็ถอยเพวกีเ็บนไปเจอน้ำมันมันก็ถอยพราน้มันเนาะ มันขามว่าไรถึงจะหน่อยก็เมื่อกล่าขามยากอย่างพนัญญาสงใัยน้ํามั่นไหวกันไหวกันปวกกันหมดกันแม่งอดการตะขาบไห่นะไปจับกุฏิขึ้กันพวกผ้าพวกยังพับไวให้ดีพวกประตูเวลาจดของพยูให้ปิดไวอย่าไปเปิดเบางที่มันแม่อายุ ตัวน้อยๆมันขำไม่ได้แต่ตัวใหญ่เนี่ยบางทีมันเข่าไปหาตุกแก่ไปหาจริงจกจริงเลนมันอ่ะมันขึ้นไปนเข้าไปก็ไปนอ่นถาคุบบายบางที่คุบบาเข้าไปมันก็ไปซ่อนลบยิงผาอุ ย, ยุอยะบาดท่าจากของจินนั่นรับลุงบุญงูก็ออกมากพอดีนั่นแหละบาดมันเจียวเออจะเออบาดใดระบาดเนี่อ อย่างพวกในขั้วขึ้นกันพวกชั้นล่างในชั้นล่างที่เป็นกระเบื้องไม่赖จะออกไปสายตรงปิดลันคุณ น, นปิดไหวเหติให้ดีประตูนะเพราะว่าย่อ ม, มเว้นห้องประยูนนะอาจจะเป็นข้างคกกิ่งจกตุกแก่พวกกบพวกเกียดมันาะลมู่มันลไรมากมันบมี่หลังไปมือกันโดดพอมาก เขาไปในห้องของเข้าเพราะวเจ้าคองเปิดซาวาไวปเลยโบปิดไปภายใ น, นพวกกบโกเขียดมัน ก, กระโดดเข้าไปเห็นมันนั่นไหมมันก็หามงกุฎตี๋ตายเาี่กนบ้านไอ้งูมันก็จิ้นั่งกบนั่งเขียดเข้าไปเลยวนหะน่ะไปกินยูหันเลยกระสมันก็นอนอยูหันนี่แหละอันตรายเข้าอยู่ในปลาอันนี้คือวิชาอยู่ในปลา ต้องหลอบครอบพวกกติีของข้ามันมีเอสุรพิษมันมีหูเมียังกต่มันหลายบ่มันบ่หลายหรอกมันบ่หลายแต่ว่าคู่มือเนี่ยเด็เริ่มเห็นหลายขึ้นมาหนาตาขึ้นปุ่เหตุใดเพราะมันบมีหมูตอกอนมันมีหมูปลามีหมูปลามันกิ่นมัดงูตั้งแต่หมูมันจมูกดีเลยมันสุบซุบปัปหากิน งูอยู่ทางใดเนี่แปลว่าหมูป่ามันกินมัดมันกินหมดงูห้องงูชงอางไปเลยพวกงูหลงงูเหลือมไนเลยกินมัดมันไล่สวบเลยหมูมันว่าเลยแต่เดี๋ยวนี้มันหมูมันบ่มีหมูมันหน่อยพราะนายสัตว์พวกนี้มันก็เลยขยายพันธุ์ขึ้นมาแต่ว่าถึงอย่างไรถนนเท่ากับลองรับไปแล้วถนนเท่ากับกว้างคณะว่าเขามีใส้ฉายกังคากังขึ้นมันก็บ่นหนากลัวขันห้างระมัดระวังนะ กันเพว่าเดินด้วยความประมาทก็ยังมาเนี่ยเดินชุ่มๆซ้ๆาๆบ่มีไฟไปเงี้มันขึ้นเน่ะไปเหยียบผางกันบ่มันเหยียบหัวมั น, มนไปนเหยียบผางมันกัดล้นเนี่ยเพราะนั้นสิงโมนี่นะเขาอยู่ในป่าบ่มันแต่อยู่ในนี่ลงไปอยู่ไสก็ตามมันเขาอยู่ในป่าอย่าให้เป็นผ้าระผู้อื่นอย่าต้องระมัดระวังลงพรบ่เคยได้ ูปามันแต่งแต่อายุสิบเอ็ดสิบสองปีม่ค่อยถูกงูกัดโมเคยถูกตะขาบกัดมันไปมีแต่มาแล้งฟองนะมาแล้งฟองเอาหลาเทืออยู่ห้าแรงเทือกระเดีนเอยู่ในตารางกุฏีเจ้าขององินบตไซล่องเท่ายางยางไปพอเห็นว่ามันแปรนิ่ง่ปไปมันเกิดเยียบมันเก็ดซัดรุนแล้วมาแล้งฟองมันไปโอ้ ตีนแบนแป้งแสงแลเราลไปชัวสิเจ้าได้นะี่อันนี้กคือสรุปแล้วคื อ, คอขาดความรอบครอบด้วกันมันไปเหยียบมันน่นเลยพอหลังตรงนี้ไฟฉายทามันคำมันขึ้นมาละไปใส่ตรงนี้ไฟฉายตรงดูให้หลบขอบเพรามันถูกกัดแล้วอย่าไปอยู่ซือๆก็ต้องมาหาหมูหาเพื่อนใส่ ย, ยุกใส่ ย, ยาเพวกผิดตัวนี้มันอันตรายถึงตายได้ เนี่เป็นท้ำโอซดกแมนยูใส่ถำโอซดกแมนยูเนี่ยหลวงพ่อปฏิเสธถำโอซดทานผูกคนไม่ถำโอซดมันกแมนเฮ้ามันโมม่มมถึงขันนั้นเยช่มันต้องใส่ยาโอซดยังคอยประคับประคองมันเพาะน่นเบิรหน้าลูกหลานปาแน่นทุกองนะสรุปเราก็คือความรอบคอบแล้วนะพิยุสั การว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นโมเมนแต่เจ้าขององค์เดียวได้เฮงชี่แล้วเนะีพะฮงูกาแล้วมันต้องมีมูมีเพืลินไปทรงอีกไปนอนเฝ้าอีกสรุปเลยคือความเสื่อพวามบล็อกขอบเจ้าของผู้เดียวทำให้มูผู้อื่นลําบากนั่มกันว่าห้าวหลอบขอบซะมันก็บ่มีปัญหาแต่เฮตุอย่างไรได้นนไดล่ะมูก็ต้องช่วยกันเพราะมันเจ็บขึ้นมาแล้วเด้เอ่อมันเจ็บขึ้นมาแล้วก็ต้อง ช่วยกันปล่อยปาละเลยบ่ไรเนะ่ยนาทีเลยบ่ไรนาทีทุกองเลยนาทีก็ทางหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อปล่อยปาระเลยบ่ไรด้วยกันลูกน้องเจ็บไขรได้ป่วยขันธว่ามี่ยังเกิดขึ้นภายในวัดพระเน้นบ่ไรให้ความสนใจปล่อยปลาระเลยเนี่ยเป็นอาวัตทุกขตทั้งเต็มหลวงพ่อปรับโทษเนี่ยตั้งแต่ลุงพ่อเนี่ทุกองก็วอก บ่บมผู้ใดบ่มีบ่ได้ช่ยใจในการเจ็บไข่ในป่วยได้ป่วยของผ่าของเน้นอยู่ในวัดถ้าลงคอเจ็บไข่ได้ป่วยขึ้กันผ่าเน้นอยู่ในวัดบ่ให้ความสนใจผ่าในวัดกับป้าประวัติทุกข์ขึ้นกันนี่แหละพระพุตรเจ้าพณิอบอกว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเสียสลรออกจากมาออกมาจากบ้านเลื่อนไม่อยู่ด้วยกันพวกท่านทั้งหลายต้องพึ่งผ้าอาศัยกัน มีอะ ย, ยังเกิดสิโ่โพวกท่านต้องช่วยกันดูช่วยกันแลกช่วยกันรักษากันจนถึงตายและหายถ้าว่าผู้ใดก็ตามบ่ได้ไม่ให้ความสนใจในการเจ็บไข้ได้ป่วยของมูมเพ่อนปรับอบัตทุ ก, กฎขาดขาดการใส่ใจเเพราะในสิงโมนิมันต้องถามไทยต้องบอกถ้าจะให้องค์ใดไปช่วยองค์นั่นก็ต้องไปช่วยขันลงปติสงออท่านไปเฝ้านะ ถึงโม อ, อยากไปตอนนี้นก็ต้องได้ไปพอมันเป็นวิในัเนี่ยต้องได้ไปหมโมให้ไปเฝ้าแล้วไปเบิ่งนะไปซอยนะต้องไปเบิ่งนี่แหละโมให้ความสนใจบ่ได้อันนี้สินและวีไนต์โให้มันกัดอย่างดีที่สุดตัวนั้นไปแต่มันกัดแล้วเหตุจางไหนล่ะอย่างที่ททว่ า, า, านนะ่นะ กา น, น, นต่อระมัดระวังนะพวกเขานะ่ะเมื่อนีนกขาบอกเรื่องงูอีกที่กันบ่อว่นนี่งเขาบอกเธอหนึ่งแนแหละเพราะมันเรื่องมา่ท่านจบต่อไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร